ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่74โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่74ให้คติธรรมว่าอนัตเถนะยุตโตสิยา ไม่พึงทำสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหาเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นควรคิดให้ดีกันกรองให้ดีสิ่งไหนที่มีประโยชน์สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่เป็นโทษสิ่งไหนที่เป็นคุณ พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตตั้งแต่เราเรียนมาเราก็จะรู้ได้ว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ควรทำอันนี้สิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านต้องใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่ากาลเทศะบุกคล การสถานที่บุคคลสิ่งเหล่านี้คือให้ใช้ปัญญาทั้งหมดรรมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตอัตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลอัตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนมัตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประมาณในการดำเนินชีวิตในการบริโภคในการดำรงชีพของตัวเอง กาลันยุตาให้รู้จักการเวลาการเช่นนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องเป็นธรรมปริสันยุตาให้รู้จักประชุมชนเมื่อเข้าไปหาประชุมชนเหล่านี้ควรปฏิบัติตนอย่างไรควรอ่อนน้อมอย่างไรควรทำความแข็งกล้าวอย่างไรควรปฏิบัติระวังตนอย่างไรเนี่ยบริสันยุตาปุคฆระปโรภรัญยุตาให้รู้จักบุคคลควร น, นี้ควรครบหรือไม่ควรครบ เป็นคนดีและเป็นคนเลวสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านปราัสไว้ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายท่านเรียกว่าสัพพิริ ธ, ธรรมสัพพริ ธ, ธรรมคือธรรมของสัตว์ปรุษเออคือเป็นแนวความคิดของคนดีสวัสดสภาพบุรุษก็ไม่น่าจะผิดธรรมของสุภาพบุรุษคือบุรุษที่เป็นคนดีในการดํารงชีวิตการดําเนินชีวิตของตนเอง เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายไม่พึงทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ควรทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์การกรองไตรตองด้วยกาลเทศะเหตุและผลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวโดยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอํานาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์